เรื่องนาคาเสนกูมารเรียนไตรเพศแต่นี้จะได้วิสัชนาด้วยนาคาเสนกูมารแต่แรกลงปฏิสนธิไปเป็นใจความว่าเมื่อมหาเสนาเทวบุตรจุติจากสวรรค์มาบังเกิดในคันพัญญาพราหม์ฝ่ายพัญญาพราหมนั้นก็เป็นนางพรามมณีเผ่าพันพรามด้วยกัน ส่วนนางพรามณีนั้นทรงคันท่วนสิบเดือนแล้วก็คลอดบุตรงามบริสุทธิ์โสภาบิดามารดาจึงให้ชื่อว่านาคเกษกุมารครั้นเจ้านาคเกษกุมารค่อยวัฒนาการจำเริญไว้ได้เจ็ดปีบิดามารดาจึงว่ากับนาคเกษกุมารบุตรของอัตมาให้ร่ำเรียนศิลปะศาสตร์สำหรับตระกูลพราม น่าเกษณกุมาจรจึงถามว่าข้าแต่บิดามารดาที่จะให้เรียนศึกษาศิลปะศาสตร์นั้นมีกี่ประการบิดามารดาจึงว่าดูราณกุมารไตรเพศนั้นมีสามประการและวิชาที่อาจารย์บอกนอกคัมภีร์ไตรเพศนั้นเรียกว่าศิลปะศาสตร์นี่แหละมีสำหรับสกุลพราหมณ์ ร่ำเรียนสืบสืบกันมานาคเษนกุมารให้ปฏิญาณว่าจะเรียนเอาให้ได้ส่วนว่าโสนุตระพราหมณ์ผู้เป็นบิดาจึงให้เชื้อเชิญพราหมณ์อันเป็นอาจารย์มาที่เรือนแล้วก็ให้ทรัพย์ประมาณพันกระหาปณะเป็นค่าจ้างบอกวิชาของอาจารย์หวังจะให้บอกซึ่งไตรเพศวิชาการแก่เจ้านาคเสนกุมาร จึงแต่งที่ไว้ในเรือนตั้งซึ่งเตียงและตังลาดปูไปด้วยบันจะถอนเครื่องลาดอันดีในที่ริมฝาเรือนจึงมีวาจากับเจ้านาคเกษกุมารว่าให้เชื้อเชิญพรหมณาจารย์ขึ้นสังวัทยายไตรเพศให้เจ้านาคเกษนั่งฟังพรามสังวัทยายมนโดนคาถาไปตามภาษาข้างสส่วนเจ้านาคเกษฟังครั้งเดียว ก็จำได้จบครบทุกประการด้วยวัยปัญญาสอดปัญญาจักสุเห็นประจักแจ้งไปตีสุเวเทสุในไตรเพศสามมิได้ว่างเว้นหลงไหลและไตรเพศนั้นเป็นลักขณะต่างกันฟั่นเฝือโดยวิเศษมีประเภทต่างกันด้วยอักขระอักษร อ, อันเป็นแก่นสารสำหรับสกุลพราณนับถือมา อันนึงเจ้าหน้าเกษณกูมารมีปัญญาสอดส่องไปในคำพีปัทกะหนึ่งคำพีพยากรหนึ่งคำพีรูกายตหนึ่งคำพีมหาสุบินลักษณะหนึ่งอันว่ายูเมธาอปริหีโนปัญญาจักขุเห็นปรุปโปรงตลอดไปไม่เสื่อมสุดเห็นไปในศิลปศาสตร์ทั้งสิน้นและคำพีทั้งสี่ที่ว่ามานี้ มีคำพีอิติหาสะเป็นคำพีคำรบห้าคำพีปัทะกะนั้นเป็นบทที่จะสวดพิธีเป็นต้นชื่อว่าปะทะกะและคำพีพยากรคือคำพีพยากรดูเรกและทำนายเรกปีเดือนวันคืนคำพีโลกายต้นว่าด้วยโลกพระอิศวนเท้ามหาพรหมท่านสาบไว้ให้เป็นภูเขาและต้นไม้ และน้ำในทะเลให้เค็มด้วยเหตุเดิมอย่างนั้นอย่างนั้นจึงได้สราบไว้ให้ชื่อว่าโลกายศและคำพีมหาสุบินลักษณะว่าด้วยทานายฝันและคำพีอิติหาสะปัญจมะนั้นว่าด้วยจะล้างหน้าและจะอาบน้ำและบริโภคอาหารและถ่ายอุจจาระปัสสาวะนั้นก็ดี โดยสังเขตเป็นอาทิชนีคือให้นั่งทิศ น, น, นั้นดีเรียกว่าอิติหาสะตกว่าไตรเพศก็ดีศิลปะศาสตร์ก็ดีที่พรามนาจารย์อ่านสังวัทยายให้ฟังนั้นเจ้าหน้าเกษตรกูมานฟังครั้งเดียวจำได้เห็นตลอดไปด้วยปัญญาจักขุปรุโปรงเป็นอันดีเล่ากะ ว, ว่า เล่าท่องไว้ได้ร้อยครั้งพันครั้งจําได้สิ้นครบจบเจนเจ้าหน้าเกษณ์กุมานจึงมีวาจาถามว่าข้าแต่บิดาศิขาสําหรับสกุลพรามสิ้นสุดเท่านี้หรือหรือว่ายังมีอื่นอีกประการใดเล่าพรามผู้เป็นบิดาจึงว่าดูก่อนเจ้าศิขาสําหรับพรามมาแต่ก่อนเก่านั้นก็จบเท่านี้ อโคนาคเสโนนามทารโกอันดับนั้นนาคาเสนทารกร่ำเรียนศึกษาแต่สำนักพระมนาจาร์แล้วก็ให้ซับค่าจ้างบอกวิชาแล้วก็รับเอาซึ่งกรรมใบลานอาจารย์ให้เป็นกรรมใบลานหนังสือพราหม์สำหรับที่จะได้ดูและอ่านการไตรเพศและศิลปศาสตร์ทุกสิ้นอันเจ้านาคาเสน ได้กำใบลานหนังสือพราหมนั้นแล้วก็ลีลาดลงจากปราสาทแล้วก็เดินมานั่งอยู่ที่ประตูสาลาคือประตูโรงที่ในรั้วบ้านของอัตตมาปุพหวาสนาหุนหลังมาตาักเตือนน้ำใจให้ร้อนรนรำพึงอยู่ที่ประตูสาลาอันเป็นที่ระหูฐานที่สงัดไม่อื้ออึงเรียนไปนั่งรำพึงอยู่ที่นั่นถึงเจ็ดวัน เฝ้าพินิษพิจารณาดูไตรเพศศิลปศาสตร์นั้นแต่ต้นจนปลายก็เบื่อหน่ายไม่เห็นที่จะเป็นแกนสารก็วิปปิสารีเดือดร้อนรำคาญใจมิได้เห็นเป็นประโยชน์จึงว่ากับปากของตนเองว่าโพดูกร ะ, ระชาวเราศิลปศาสตร์ไตรเพศที่เราริ่ำเรียนมาปลาสานิเหมือนลอมฟาง ตุดฉานิเห็นเปล่าไม่เป็นแก่นสารเมื่อเจ้าหน้าเกษตรกุมารรำพึงอยู่ในทีร่ระโหฐานดังนี้อายะสมารหโนพระโรหนะเถระผู้มีอายุนั่งอยู่ณวัตนิยเสนาสนะรู้วาระน้ำจิตของเจ้าหน้าเกษตรกุมารจะยินดีมาในพระบวรพุทธศาสนาปัตตะจีวรมาทายะพระผู้เป็นเจ้าลุกจากอาสนะ นุ่งสบงทรงจีวรกอนจับบาทก็อันตรทานหายจากวัตนิยะเสนาสนะดังกำลังฌานปาตุระโหสิมาปรากฏที่ชังคละคขามอันเป็นบ้านของพราหมณ์นั้น รพระรู h a เถระสนทนากับนาคเสนกูมานฝ่ายเจ้านาคเสนกูมานสถิตอยู่ที่ประตูศาลาได้ทัศนาการเห็นพระรู h a เถระเจ้าก็มีจิตหันษาจะใคร่าถามหาธรรมที่เป็นแก่นสารจึงคมนาการมาสู่สำนักมีวาจาถามว่ามุนดะมาริสะข้าแต่ท่านผู้มีศีรษะโล้น ปราศจากทุกภัยเป็นฉไหนท่านจึงนุ่งผ้ากาสาวะอันย้อมด้วยน้ำฝาดพระโลหณะจึงบอกว่าอัตมากระทำชนนี้เรียกว่าเป็นบัรพชิตเจ้าหน้าเกษณ์ จ, จึงถามว่าบัรพชิตนี้แปลว่าอย่างไรพระโลหณะจึงแก้ไขว่าเรียกว่าบัรพชิตนี้โซดเหตปราศจากบาป เจ้าหน้าเกษณกุมารจึงถามพระโรหณะว่าท่านรู้ศิลปศาสตร์อยู่หรือพระโรหณะจึงบอกว่าอัตมารู้อยู่ศิลปศาสตร์ของเรานี้อุดมล้ำเลิศกว่าศิลปศาสตร์อื่นๆมีในโลกเจ้าจะเรียนหรือเจ้าหน้าเกษณ์จึงว่าข้าพเจ้าจะเรียนแลแต่ทว่าจะถามปัญหาท่านก่อนจะแก้ได้หรือ พระรูหณะจึงมีวาจาว่าท่านจะถามปัญหาก็ถามเถิดอัตมาอาจจะแก้ให้สิ้นสงสัยของท่านได้เจ้านาเกษณกุมาจรจึงถามปัญหาว่าทำไมผมก็ดีหนวดก็ดีของท่านนี้ไม่เป็นเหมือนคนทั้งหลายท่านได้อุบายเห็นคุณและโทษประการใดจึงโกนเกษาและหนวดเสีย พระโรหณะจิงวิสัชนาแก้ไขว่าดูก่อนธารกะอัตมาละเสียซึ่งปริโภธกังวล16ประการอภาารณะปริโภธังคือปริโภตกังวลด้วยอภพรผ้านุ่งห่มประการหนึ่งอลังการะปริโภธังคือปริโภตกังวลด้วยเครื่องประดับประการหนึ่งกัมมาระปริโภธังคือปริโภตกังวล ด้วยไปมาหาช่างทองทําของแต่งตัวประการหนึ่งมัชนะปลิโพทังคือปลิโพธ์กังวลด้วยต้องเก็บสิ่งของทั้งปวงไว้ประการหนึ่งโทวนะปลิโพทังคือกังวลด้วยล้างซักประการหนึ่งมาลาปลิโพทังคือกังวลด้วยจะหาดอกไม้มาแซมเกษาและประดับต่างๆประการหนึ่งคันทะปลิโพทัง คือกังวลด้วยหาของหอมประการหนึ่งวาสนะปลิโพธังคือกังวลด้วยจะหาของอบรมนั้นประการหนึ่งหาริตกะปลิโพธังคือกังวลด้วยสมอประการหนึ่งอามะลกะปลิโพธังคือปลิโพดกังวลด้วยมะขามป้อมประการหนึ่งมัตติกาล аки, ปลิโพธังคือกังวลอยู่ด้วยดินประการหนึ่งสมอมะขามป้อม และดินสามประการนี้เป็นยาประสะผมสูจิปลิโพทงังคือปลิโภด์กังวลด้วยไม้กลัดผมประการหนึ่งพันธกาปลิโพทังคือกังวลด้วยมุ่นผมกล้าวผมประการหนึ่งโกฉะปลิโพทังคือกังวลด้วยหวีผมประการหนึ่งกับปะกะปลิโพทังคือกังวลด้วยหาช่างกลร b e l l a ทำผมประการหนึ่ง นาหาปะกะปะลิโพทังคือกังวลด้วยอาบน้ำดำลงไปเหม็นสาบผมประการหนึ่งผสมเป็นกังวลสิบหกประการดังนี้ประการหนึ่งเล่ากิมิชาติหมูนอนทั้งหลายมากมายกินอยู่ทุกๆุรากเกสากินไปจนหงอกเสียสีคนทั้งหลายเห็นผมของตัวไม่ดีก็เกิดเศร้าโศกสองกรค่อนสวงเข้าเฝ้าแต่จะเสียใจ เมื่อผู้ใดประกอบอยู่ในปริพภสิบประการนี้มิอาจที่จะเรียนวิชาการศิลปศาสตร์อย่างดีได้เจ้าหน้าเกษณกูมานได้ฟังพระรูหณะแก้ไขก็ขอัศจรรย์ใจจึงถามพระรูหณะว่าพระผู้เป็นเจ้านุ่งห่มแปลกเขาเป็นเหตุฉะไหนพระรูหณะจึงว่าดูก่อนกูมานผ้านุ่งผ้าห่มของชาวบ้านบริโภคกามคุณ ผ้านุ่งผ้าห่มนั้นก็เป็นนิมิตของคราวาสยังภัยอันตรายต่างๆให้บังเกิดขึ้นเพราะเหตุผ้านุ่งผ้งาห่มนั้นไม่ประเสริฐเลยดูก่อนหน้าเกษณกุมารเหตุดังนี้ผ้านุ่งห่มของอัตมาณยถาอันเยสังจึงไม่เหมือนคนทั้งหลายภัยอันตรายจึงมิได้แผ้วผ่าน นาเคเสนกุมารก็ชื่นบานหันษาถามพระรูหณาว่ามาริสาข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์สำราญซึ่งสุขนิราชภัยท่านอาจสามารถที่จะบอกศิลปะศาสตร์ให้แก่ข้าพเจ้าได้หรือพระรหะูหณากรับคำเจ้าหน้าเกษนว่าอัตมาจะบอกให้เจ้าหน้าเกษนยังเป็นทารกยังไม่มีอัจาสัยจริงว่า ถ้ากรนั้นจงบอกให้ข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เถิดพระโรหณะจึงว่าดูราณะกุมารที่ท่านจะให้อัตมาบอกบัดเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้อัตมาจะไปบินธบาตในละแวกบ้านฝ่ายเจ้าหน้าเกษตรกุมารก็รับเอาบาตขมานาการลีลาดไปเรือนบิดามานดาที่พระโรหณะเคยนั่งฉันอยู่ทุกวัน จึงอังฆาด้วยขาธิยะโภชนิยะอันประนีตบรรจงกระทำด้วยมือของอัตมาแล้วก็อาราธนานิมนพระรูหณะมาฉันส่วนพระรูหณะนั้นครั้นกระทำพัฒกิจฉันจังหันเสร็จแล้วโอนีตะปะตะปานีมีพระกรกุมบาตอยู่เจ้านาคเษนทารกรับว่าจะเรียนความรู้ พระโรหณะผู้เป็นเจ้าจึงกล่าววาจาว่าดูก่อนทารกรูปจะบอกให้แลแต่ทว่าต่อเมื่อไรท่านสละเสียซึ่งปริโพโธ์กังวล16ประการอำลาบิดามานดาบิดามานดาให้อนุญาตแล้วก็ไปอยู่กับอัตมากระทําเพศให้เป็นบรรพชิตเหมือนอัตมาอัตมาก็จะบอกความรู้วิชาให้แก่เจ้า ในการนั้นเรื่องนาคาเกษนกุมารลาบิดามานดาออกบรรพชาเป็นสมณีน อทโหนาฆะเสนาารโกอันดับนั้นน่าเกษนารกได้เสวนาการฟังวจนังซึ่งถ้อยคำพระโรหณะเทระผู้มีอายุจึงกระทําเป็นไม่กินข้าวกินปลาหน้าตาโศกเศร้าเฝ้าวิงวอนจะให้บิดามารดาอนุญาตให้บรรพชาฝ่ายบิดามารดาก็มาคิดว่ากุมารลูกของเรานี้ จะไปเรียนความรู้วิชาเรียนได้แล้วก็จะกลับมาไม่ควรที่ว่าจะห้ามไว้จึงให้อนุญาตว่ายาทุกอยาโศกไปเลยจงกินข้าวปลาอาหารจะไปเรียนความรู้วิชาการก็ตามใจส่วนหน้าเกษรกุมารได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมอภิรมหันษาบริโภคโภชนาอาหารแล้ว ก็ลาบิดามารดาไปด้วยพระโรหณนะพระโรหณะก็พาน้าเกษกุมารไปสู่วัตตนิยเสนาสนะแล้วก็ไปสู่วิชัมพุวัตถุเสนาสนะจะแก้ไขด้วยเสนาสนะที่อยู่อันชื่อว่าวัตตนิยและวิชัมพุวัตถุให้แจ้งชัดวัตตนิยนั้นแปลว่าประเทศควรแก่จะอยู่ กระทำปรนิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานวิชมพุวัตถุเสนาสนะนั้นแปลว่าเสนาสนะที่อยู่อันปราศจากลามกมนถินสะอาดพองแผ้วนี่แหลพระรูหณะยับยั้งอยู่ที่นั้นคืนหนึ่งแล้วก็พาเจ้านาคเษนกุมานอันตรทานหายไปปรากฏที่ถ้ำรักิตะเลนะตรงหน้าพระอรหัน ร, ร้อยโกฎ อันลงโทษพรหมทันแก่อัตมาด้วยประการดังนี้เตนะโขปณะสมยีนะโกติสตาอรหันตานาคเสนาทารกังปปพาเชนติปปพชิโตโขปนายัยสมานาคเสโนอายสมันตังโรหนังเอตตะทวุจักหิโตมยาตวังเอโสมังสิปานิสิกาเปตูติ เตนะขปนณะสมมยนะีณในการปางนั้นพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายโกติสตามากมายกำหนดได้ร้อยโกดก็ยังเจ้าหน้าเกษนรกุมานั้นให้บวชเป็นสมมเนที่ถ้ำคูหาอันชื่อรักขิตะเลนะเมื่อเจ้าหน้าเกษตบวชเป็นสมมเนหแล้วจึงมีวาจาว่ากับพระโรหณะว่าพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพระเจ้ากระทำเพศให้เหมือนพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงบอกศิลปะศาสตร์ให้ข้าพระเจ้า เรื่องนาคา เ, เสนสมมาเนรเรียนพระอภิธรรมปิดกส่วนว่าพระโรหณนะจึงจินตนาคำหนึ่งรำพึงว่าปันดิโตเจ้าสมมนนาเนรนาคาเสนมีปัญญาฉลาดอัตมาจะบอกให้เรียนพระสูตรพระวินยัยพระสูตรพระวินัยตื้นไม่ลึกล้าเหมือนพระประมัถ ธ, ธรรมจำอัตมาจะบอกพระอภิธรรมให้เถิดดํามริแล้ว ก็บอกพระอภิธรรมมัถะอันประเสริฐให้ทั้งเจ็ดพระคำผีคือพระสังคนีหนึ่งพระวิพังหนึ่งพระทาตุกถาหนึ่งพระบุคลบัญญัติหนึ่งพระกฐาวัตถุหนึ่งพระยมกหนึ่งพระสมันตะมหาปถานหนึ่งสมเป็นเจ็ดพระคำผีด้วยกันนาเขเสนสมเนนนั้นมีปัญญาจากสูเห็นปลุโปรไม่กังขาสกิง แต่บอกให้วาระเดียวในพระสตัตตปกรนาพิธรรมทั้งเจ็ดคำภีว่าสมเด็จพระชินส์ีเจ้าตรัสเทศนาอาศัยแก่สามบทคือกุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาอพยากตาธรรมาเท่านี้แตกออกไปเป็นสตัตตปกรนาพิธรรมทั้งเจ็ดพระคำภีประการหนึ่งพระอภิธรรมสังคณีตั้งเป็นต้น คือกุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยากตาธรร ม, มาประดับประดาไปด้วยทุกกะมติกาและติกะมาติกาเท่านี้แหละในคำภีรพระวิพังนั้นประดับด้วยอัฐาระสวิพังมีขันธ์วิพังเป็นต้นเป็นประธานมาในคัมภีร์พระธาตุกถานั้นมีวิพัฒแจกจำแนกไปได้สิบสี่บทเป็นต้นว่า สังฆโหอะสังฆโหนี้และในคำพีพระบุคละบัญญัติมีวิพัตจำแนกเป็นฉับพิธบทหกบทมีขันธะบัญญัติและอายตนะบัญญัติเป็นประธานมาและในคำพีพระกถาวัตถุนั้นสุตตะสหัสสังประชุมสูตรไว้พันหนึ่งมิได้น้อยเป็นส ก, กวาทีห้าร้อยเป็นประวาทีห้าร้อย จิงสิริเป็นพันหนึ่งด้วยกันในคำภีพระยะมกนั้นวิพัชนาการจำแนกแจกเป็นทศพิทบทได้สิบมีมูละยะมกและขันธยะมกเป็นประธานมาในคำภีพระสมันตมหาปทานนั้นวิพัชนาการจำแนกแจกเป็นจตุวีสติปัจได้ยี่สิบสมีเหตุปัจจโยอารัมณะปั จ, จโยเป็นประธานดังนี้ เสริเป็นพระสตัตตปปการนาพิธรรมทั้งเจ็ดพระคำภีด้วยกันน่าเคศเฉ ส, สนะ น, นั้นเล่าขนเดียวก็จำได้ขึ้นใจจึงมีวาจะห้ามพระโรหณนะผู้เป็นพระอุปชาวไว้ว่าติดถตุได้โปรดงดข้าประเจ้าบอกแต่เท่านี้ก่อนเถิดเมื่อข้าประเจ้าท่องได้สังวัทยายได้ถนัดจริงแล้วอุตตริงวะเทหี จงบอกให้มากยิ่งขึ้นไปจะขอรออยู่ปรนิบัติสอดส่องให้ชัดเจนว่าแล้วหน้าขาเสนสัมมเนนก็ลาพระอาจารย์เป่าวิสนาการเข้ามณฑลมาละกะแปลว่าศาลาสนามธรรมจึงจำเริญมนาสิการในใจว่านุโขดังอัตมารำพึงไปแท้จริงกุหิงจะได้อัดแปลว่ากรไร ในบทว่ากุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาและอัพยากตาธรรมาน้าเกษมสมนเนนจำเริญมานาสิการพิจารณาสกิงหนเดียวก็คิดเห็นเป็นอัตตกรรมฐานว่าบทกุสลาธรรมาจะมีอัตตะขถาอย่างนั้นอกุสลาธรรมาจะมีอัตตะถาอย่างนี้ด้วยปัญญาบารมีกระทําไว้แต่ชาติโพน เรื่องนาเคเสนสมมเนนไปหาพระอระหัน ร, ร้อยโกรธพระอระหันท ร, ร้อยโกรธสถิตณด้าวแดนใดนาเคเสนสมมเนนก็เข้าไปสถานที่นั้นครั้นถึงอภิวันวายดูนี่งามผ่องใสไปทั่วอินทรีอายุพอได้เจ็ดปีเป็นเนน้อยกระจ้อยร้อยรูปงามประนมกรประนามนบนอบเหนือสีโรธ อรหันตานังเอตตะทะโวจ่จึงบอกพระอรหันต์ร้อยโกรธว่าข้าพเจ้าจะสําแดงพระสัตต ป, ปกรณาพิธามที่พระอุปชาบอกนี้ให้มีอัดวิษฐานออกไปพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีใจจึงนิมนต์ให้สมเนต น, นาคเษนสำแดงโดยวิฐานพระสมเนต น, นาคเษนก็วิสัชนาอยู่ประมาณเจ็ดเดือนจึงจบขณะนั้น เกิดอัศจรรย์ทั่วพิภพอินพรมพบรมเทวราชปัทวีอุณาธิก็วาดไว้ไปทั่วปัทภีมีกล้องบัลือลัน่นเทวาหัสันติฝ่ายฝูงอมรคนนานิกรสุรางนางเทพพระอักษรสาวสวรรค์นในชั้นฉะกามาวจรก็ร้องซองสาธุการยินดีด้วยปัญญาบารมีสมเนนพระมาอภโตนติ ใช่แต่เท่านั้นท่านเท้ามาหาพรหมเป็นบรมจอมพิภพก็ตบพระหัตตัสันเสริญศีลปัญญาคุณอันว่าหาฝนบุปผามนทาทิพจันจุนสารพียี่สุนพิกุลโยทกามาหาหงส่งกลิ่นอันหอมนั้นอภิปวัตสันติบ้างก็เลื่อนลอยบ้างก็ปล่อยปล่อยเป็นฝอยฝน ต, ตกลงมา เหมือนหนึ่งจะมีวิญญาณลงมาสาธุการบ้างบานบ้างตูมหุ้มห่อเกสรหอมฟุ้งขจรขจายในที่พระหน้าเกษรสัมมเนนสังวัทยายพระสัตตปปกรนาพิธรรมเจ็ดคำพีจบโดยวิถานพระอรหันตร้อยกฎท่านก็ซองสาธุการชื่นบานหันสาโสมนัสยินดีว่าแต่นี้แหละ ศาสนาของสมเด็จพระโล ก, กนายกเจ้าจะรุ่งโรโชดตนาการไปในการนี้เรื่อง หน้าเกษณสัมมาเนนอุปสมบทอะทะโขโกติสตาอรหันตารำดับนั้นครั้นเจ้าหน้าเกษณสัมมาเนน ย, ยูมามีพระวัดสายยี่สิบท้วนกําหนดพระอรหันต์ร้อยโกดก็ให้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะในพระศาสนาตัดสารัติยาอัจเยนะครั้นพระน้าเกษณสัมมาเนนเป็นภิกษุภาวะแล้ว นิมิตรุ่งร้างสว่างแผ่อรุณขึ้นมาปัตตะจีวรมาทายะพระผู้เป็นเจ้านุ่งสบงทรงจีวรพระกรจับบาตรหลีลาตามพระอุปชาข้ามังปินดายะเข้าไปสู่บ้านเพื่อจะเที่ยวพิกขาจา์โคจรบินทบาทพระนาค เ, เสน จ, จึงปริวิตกว่าพระอุปชาของอัตมานี้ตุดโฉเปล่าเขานักหนา รู้แต่พระสัตตปรกรนาพิธรรมเท่านี้จะได้รู้พระคาถาบาลีพระพุทธวจนะอื่นๆหาไม่ได้ส่วนพระโรหนะผู้เป็นอุปชาก็รู้วาระน้ำใจจึงมีเทระวาจาว่าดูกระอาวุโสท่านวิตกดังนี้มิควรแก่ตัวท่านมิควรแก่ตัวเราฝ่ายพระนาคเษนได้ฟังดังนั้นก็ดำริว่าโอหนอ ควรจะเป็นอัศจรรย์เมื่ออัตมาคิดในใจชะไหนเล่าพระอุปชาเจ้าจึงรู้จิตของอัตมาปันดิโตโขพระอุปชาของอัตมามีปัญญาแท้จริงก็ควรที่จะให้พระอุปชางดโทษคิดแล้วจึงน้อมเสียโรธลงอภิวันว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าได้โปรโดงดโทษแก่ข้าพเจ้า แต่นี้ไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าไม่ได้วิตกต่อไปเรื่องพระโรหนะเถระบังคับให้พระนาคเษนภิกษุ ไปทรมานพระยามิลินพระโรหณะ a จิงว่าเรางดโทษให้ไม่ได้ก่อนยังมีกษัตริย์เจ้าเมืองสาคละนครทรงพระนามกรชื่อว่ามิลินทะบรมราชถ้าท่านยังพระยามิลินนั้นให้เธอทรงพระประสาทเลื่อมใสด้วยท่านได้เมื่อใดอัตมาก็จะงดโทษให้ท่านในการเมื่อนั้นพระนาคเษนจิงว่า ข้าแต่พระอุปชาอย่าว่าแต่พระเจ้ามิลินเลยถึงว่าพระยาทั้งหลายอันเสวยสมบัติอยู่ในสกลชมพูทวีปให้รีบกันซ้อนศีรษะซ้อนตัวกันมาถามปัญหาเถิดข้าพระเจ้าก็อาจสามารถที่จะให้ยินดีได้พระผู้เป็นเจ้าจงงดโทษแก่ข้าพระเจ้าเถิดพระโรหนะจิงว่าท่านอย่าว่าอย่างนี้ เราจะว่ากับท่านอีกทีเป็นคำรบสองครั้งถ้าท่านยังกรุงมิลินธราธิบดีให้เลื่อมายได้แล้วเมื่อใดอาตมาก็จะงดโทษให้เมื่อนั้นส่วนพระนาคเสนครั้นพระอุปชาว่ากรณีก็รับคำพระอุปชาแล้วจึงถามว่าในไตรามาสนี้พระอุปชาจะให้ข้าพเจ้าอยู่ที่สำนักพระอุปชานี้หรือหรือว่า จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่ในสำนักผู้ใดเล่าส่วนพระโรหณ n ผู้เป็นเจ้าจึงว่าดูกระอาวุโสยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งมีนามกรชื่ออัสคุดท่านอยู่ที่วัดตนิยะเสนาสนะอาวุโสจงไปไหว้นบเคารพท่านแล้วบอกว่าอัตมานี้เป็นอุปชายาจารย์จงบอกกับท่านว่า อาตมาให้ถามท่านว่ายังค่อยสำราญเป็นสุขหาทุกข์ไม่ได้หรือประการใดอาวุโสถามไถ่แล้วจงขอจำวัด ส, สาอยู่ด้วยท่าน เรื่องพระนาคเษนภิกษุไปหาพระอัสคุดเถระพระนาคเษนภิกษุได้ฟังอาจารย์ก็ชื่นบานหันษากระทำประทักษิณพระอุปชาแล้วมายังสำนักพระมหาเถระอัสคุดเคารพนบนอบหมอบกรานเล่าบอกแก่ท่านทุกสิ่งทุกประการเหมือนคำพระอุปชายาจารย์สั่งไปแล้วก็ขออาศัยจำวัตสาอยู่ พระอัศคุดไม่รู้จักชื่อจึงถามว่าดูกะระอาวุโสท่านชื่อไรเล่าพระนาคเษนรจรึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนาคเสนพระอัศคุดจะลองปัญญาจึงถามว่าชื่อของอัตมานี้ชื่ออะไรพระนาคเษนรจรึงว่าชื่อของพระผู้เป็นเจ้านี้พระอุปชาข้าพเจ้ารู้จักอยู่พระอัศคุดจึงถามว่า อุปชาของท่านชื่อไรพระนาคเษนรจรึงบอกว่าชื่อพระอุปชาของข้าพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็รู้จักอยู่พระอัสคุิจึงรู้ว่าพระภิกษุองค์นี้มีปัญญาจึงดําริว่าสิกขากามโมภิกษุองค์นี้ปรารถนาจะเรียนพระไตรบิดกพระไตรบิดกนี้อาตมาหารู้สันทัตแทไม่ ได้สำเร็จมากผลก็จริงแลแต่ทว่าฝ่ายพระไตรปิฎกรู้เป็นกลางๆจะบอกเจ้ากูไม่ตลอดก็อย่าเลยอาตมาจากระทากิริยาไม่เจรจาด้วยภิกษุรูปนี้ทำเป็นทีเหมือนจะลงพรหมทันเถิดพระอัสสคุดดำริแล้วก็กระทาพรหมทันพรหมทันคือนิ่งไปไม่พูดกับพระหน้ า, าเกษณ ตลอดปวารณาพระวัตรสาฝ่ายพระนาคเสณก็ปรนิบัติพระอัสคุดเถระกวาดบริเวณที่อยู่ทั้งหลายเอาอุทกังบ้วนปากกับไม้สีฟันมาตั้งวางถวายไว้ฝ่ายพระอัสคุดก็ไม่ได้เอาอุทกังและไม้สีฟันนั้นมาชำระกิจบริเวณที่พระนาคเสณกวาดนั้นก็กลับกวาดใหม่แต่อย่างนี้ ตลอดไตรมาสปรวารณาพระวัตรสาเรื่องพระนาคเษนภิกษุไปฉันที่บ้านหญิงอุปถากพระอัสคุถเถระ อะทาโขในการครั้งนั้นยังมีอุบาสิกาผู้หนึ่งเป็นผู้เท่าปรนิบัติพระผู้เป็นเจ้ามาติงสะมัตตานิประมาณส0สิบพระวัดสาจึงไปสู่อาวาสอาราธนาพระอัศคุดแล้วจึงถามว่าพระวัดสานี้มีภิกษุมาอยู่ด้วยพระผู้เป็นเจ้าเท่าไหร่พระอัศคุดจึงบอกว่าดูกะระอุบาสิกา เจ้ากูมาอาศัยอยู่รูปหนึ่งอุบาสิกาจึงว่าถ้ากระนั้นนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปฉันนิมนต์พาภิกษุรูปนั้นไปด้วยส่วนอุบาสิกากลับมาตัดสาัติยาอัจเยนะนิมิตสิ้นราตรีนั้นครั้นอรุณรุ่งร่งรางสว่างแล้วพระอัศคุณมหาเถระเจ้าแต่นิ่งมามิได้สนทนากับด้วยพระน้าเกษนั้น กำหนดถึงปวารณาอภอรวตดสาตกว่าพระอาทสตคุกต้องเจรจากับพระนาคเษนวันนั้นบอกว่าอุบาสิกาเขามานิมนต์ข้าให้พาเธอเข้าไปชันว่าเท่านั้นก็นุ่งสบงทรงจีวรคลุมบาทแล้วก็พาพระนาคเษนออกจากอาวาสลีลาดมาสู่เคหสถานของอุบาสิกา แล้วก็นิสัชนาการนั่งเหนือที่อาสนะลาดปูไว้ส่วนอุบาสิกาก็มีศรัทธาเลื่อมสผ่องแผ้วจัดแจงขาธิยะโพชญยะแล้วก็ถวายให้ฉันพระอัสสคุตนั้นกระทำพัฒกิจแล้วโอนีตะปตตะปานีมีกรจับบาทไว้จึงให้อุบาสิก า, กาตามประทีปที่บูชาแล้วสั่งให้พระนาคเษนภิกษุ อยู่สำแดงคาถาอนุโมทนาส่วนพระอัศคุธก็อุทาการจากอาจไปสู่อาวาสของอัตมาในการนั้นอทัโคอุปาสิกาลำดับนั้นอุปาสิกาจึงว่ากับพระนาคเษนว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยบนี้เป็นคนเท่าชาราจะใคร่ฟังซึ่งคาถาอันคำเพรยรภาพจะได้จำเริญสติปัญญา นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอนุโมทนาด้วยคาถาอันคำเพียรภาพนั้นส่วนว่าพระนาคเษนก็กระทำอนุโมทนาด้วยคำเพียคาถาให้สมควรกับสติปัญญาของอุบาสิกาฝ่ายว่าอุบาสิกาได้ฟังพระคาถานั้นก็ได้ธรรมจักขุวิรชังปราศจากธุลีกล่าวคือราคาดำริศณา วิตม า, ามังหามนทินไม่ได้ธรรมจักขุงคือเห็นไปในกระแสธรรมที่พระผู้เป็นเจ้ากระทำอนุโมทนานั้นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังปัญญาเห็นว่ากองแห่งสมุทยะธรรมมีอวิชชาปัจจญาเป็นต้นนี้มีในสันดานสัตว์ผู้ใดแล้วจะบังปัญญาไว้ มิให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมีแต่ว่าจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ไม่รู้แล้วหรือที่จะพันนานาสับพันตังอันว่าสมุทยธรรมนั้นมีสภาวะเป็นนิโรธธรรมดับศูนย์สิส้นแล้วจะปราศจากมลทินสิ้นราคาที่กิเลสเข้าสู่พระนิเวศสถานนิพพานเมืองแก้วอันแพ้วจากทุก กเกษมสุขหาสิ่งจะปานปูนเปรียบไม่ได้เมื่อมหาอุบาสิกาได้ธรรมจักขุพิจารณาเห็นไปดังวิสัชนามาฝั่งพระนาคเกษกระทำอนุโมทนาคาถาต่อไปครั้นจบลงแห่งคาถาอนุโมทนามหาอุบาสิกาก็สำเร็จพระโสดาปฏิพิผลส่วนพระอัสสกุเธีระเจ้าเข้าไปสู่โรงมณฑลธรรม รำพึงไปก็เห็นด้วยจักสุเป็นทิพย์ก็สาธุการพระหน้าเกษณ์ว่าสาธุสาธุพระหน้าเกษณ์นี้มีสติปัญญาทาเวมหากายาประชุมชนทั้งสองคือมนุษย์และเทวดาปะทาลิตาท่านจะมาทำลายให้คลายจากความสงสัยเอเกนากันดับปหาเรนะด้วยยิงไปซึ่งลูกธนู กล่าวคือสำแดงธรรมให้ฟังครั้งหนึ่งเหมือนอุบาสิกากระนั้นได้ฟังธรรมของท่านครั้งเดียวก็ทำลายเสียซึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกิจช า, ะะาศิลปะตปารามาตได้มักได้ผลสาธุดังเราชมสติปัญญาท่านนี้ประเสริฐนักหนาพระอัสคุตก็สรรเสริญเยินยอไปมา เทวดามากกว่าแสนก็ตบมือชื่นชมอภิรมสาธุการว่าท่านทั้งปวงเอย๋ยอัศจรรย์ น, นักนาด้วยพระหน้าเกษรเจ้าอนุโมทนาด้วยคาถาคำเพียรภาพควรจะอนุโมทนาว่าแล้วก็ยิ่งยินดีปรีดาทิพจุนนานี้ก็โปรยลงมาซึ่งจุนสุคนธาทิปส ก, การบูชา ขณะเมื่อจบลงแห่งพระสัทธรรมเทศนาก็มีในการนั้นเรื่องพระอสกุเทระ ให้พระนาคเษนภิกษุไปเรียนพระไตรปิฎกกับพระธรรมรักขิตที่เมืองปาตลีบุตรอายะสมานาคเสโนฝ่ายว่าพระนาคเษนผู้มีอายุกระทําพัตนานุโมทนาด้วยคำพิรักคาถาจบแล้วก็อุทาการลุกจากอาจมาสู่อาวาสที่สํานักพระอัสคุดแล้วก็คารพนบนอบนมั ส, สการพระอัสคุดจิงว่ากับพระนาคเษนว่าตัวท่านมาอยู่นี้ ก็นานช้านี่แนี่ข้าจะบอกให้รู้ก่อนยังมีเมืองหนึ่งชื่อปาตลีบุตรนครมีอโศการามข้างทิศอุดรมีท่านผู้ทรงศีลสังวรมีนามกรชื่อธรรมรักขิตสถิตอยู่ที่อโศการามวิหารอาุโสจงไปสู่สำนักท่านเล่าเรียนพระไตรปิฎกตามอัจชชารัยพระนาคเษนจึงถามว่า ใกลหรือไกลสักเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าพระอัสสคุดจริงบอกว่ามรคาไกลได้ร้อยโยน์พระนาคเษนจริงว่าโปรดเถิดข้าพระเจ้านี้เห็นว่าจะประดักประเดิดทางลําบากบ้านที่จะบินธบาตจะมีหรือประการใดพระอัสสคุดจริงว่าไปเถิดจะได้ประดักประเดิดนั้นหามิได้เออ ทันไปในระหว่างมราคาที่หลีลาดจะได้บินทบาททั้งจะได้จังหันสาลีอันประกอบด้วยกับปีต้มแกงทุกประการจะได้กันดารหามิได้พระนาเกษรได้ฟังก็ดีใจว่าทีนี้จะได้ไปเล่าเรียนดำมริแล้วก็กระทาประทักษิณสิ้นตติยะวานเวียนเป็นสามรอบนอบนบอําลามาไปตามมราคาประเทศทางไกล